ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการบรรยายประสูตร์ในวันนี้จะได้พูดถึงสุมาณะสูตรเป็นประสูตร์ที่ว่าด้วยคำกราบทูลถามของพระนางสุมนเทวีราชกุมารีมีใจความโดยสรุปว่าเราหนึ่งพระนางสุมนณะเทวี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศลร้อมด้วยกติยานีที่เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระพุมธีพระภาคเจ้าเพื่อฟังธรรมต่อจากนั้นก็ได้กราบทูลถามปัญหาว่าการที่บุคคลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีล และปัญญาตายไปแล้วบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เหมือนกันนั่นท่านไม่มีความข้องใจไม่มีความสงสัยในกรณีนี้แตาอยากจะกล่าวทูลถามว่าบุคคลที่มีศรัทธาศีลปัญญาคนหนึ่ง ไม่ยินดีในการเสียสละกับคนหนึ่งยินดีในการเสียสละคนทั้งสองฝ่ายนั้นเมื่อไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เป็นเทพระบุตรเป็นเทพธิดาด้วยกันนั้น ควายที่ยินดีในการเสียสละจะเหนือกว่าอีกควายหนึ่งในด้านอายุวันะสุขกำลังและอัทิ ป, ปไตยที่เป็นชิบท่นานางก็กราบทูลถามว่าเมื่อเทพประบุทเทพธิดาเหล่านั้นจุติลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผลแห่งศีลผลแห่งศรัทธาศีลปัญญา ละความเสียสละจะจำแนกให้คนทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่จะทรงแสดงว่าบุคคลที่ยินดีในการเสียสละจะเหนือกว่าผู้ที่ไม่ยินดีในการเสียสละในด้านอายุวัรณสุขและอธิปไตยที่เป็นมนุษย์ืออธิปไตยของมนุษย์ ตนางก็กราบถูดถามว่าเมื่อคนสองฝ่ายนั้นออกบวชในพระพุทธศาสนาจะมีอะไรที่แตกต่างกันพระสง์แสดงว่าผู้ที่ยินดีในการเสียสละจะได้รับความเคารพนับถือจากบุคคลอื่นและคนอื่นจะประพฤติต่อท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมเกรงอกเกรงใจ นางก็กลันนกบทูลถามในชั้นต่อไปว่าถ้าบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหัตแล้วจะแตกต่างกันหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเราไม่กล่กาวความแตกต่างกันในชั้นของวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส น, นี่เป็นใจความในสุวรรณสูตรในสังยุตติก ในอังคุตระนิกายข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะนึกได้ว่าพระนางสุมาณเทวีอันเป็นราชกุมารีเป็นราชธิดาของพระเจ้าประเสนิโกถนั้นในคราวหนึ่งได้เคยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคนที่เกิดมาแตกต่างกันเช่นว่าตระกูลสูงสกุลตามรูปประงามรูปไม่งาม สักราน้อยสักรามากปัญญาน้อยปัญญามากยากจนร่ำรวยเป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตอบคําถามของนงางข้อความนี้ก็ปรากฏในจุลกามวิพังกสูตรคือเหมือนกับที่ทรงแสดงในจุลกามวิพังกสูตรซึ่งได้แสดงไปแล้วแต่ในที่นี้นางได้มากราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติสมข้อ คือข้อปฏิบัติหลักสามข้อแต่แก่รศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อนั้นพึงสังเกตว่าเป็นบรรดพื้นฐานในการศึกษาและในการปฏิบัติธรรมเมื่อท้าสามบดีโพร ม, มากราบทูลพระพุทธเจ้าอาราธนาให้แสดงธรรมแก่โลกนั้นพระพุทธองค์ได้รับสั่งว่า ประตัวมาตะเราเปิดแล้วเพราะท่านจนทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดซึ่งหมายความว่ า, าการจะเดินหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางศาสนาได้ก็ต้องเริ่มมาจากศรัทธาซึ่งมีลักษณะเบื้องต้นเขาเรียกว่าอธิมโมก ค, คือน้อมใจเชื่อเป็นอาการยอมรับสิ่งเหล่านั้นแต่เนื่องจากพระพุทธศาสนาแสดง ศรัทธาเอาไว้ควบคู่กับปัญญาจึงจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับในหมวดธรรมแม่สามข้อดัองที่ปรากฏในพระสูตรนี้ศรัทธาที่ชื่อว่าเป็นอาิมโมกนั้นเป็นอาการน้อมใจเชื่อลงไปซึ่งก็ไม่แน่บางทีก็เกิดความสับสนได้ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของความเชื่อของบุคคลโดนั้น ว่าไปเชื่อใครแล้วก็เชื่ออะไรเชื่ออย่างไรอาจจะหลงทางก็ได้อาจจะถูกทางก็ได้รลักษณะของศรัทธาในชั้นนี้มีอยู่แก่บุคคลทั้งหลายแม้แต่การเชื่อในคำโฆษณาสินค้าต่างๆมันก็กลายเป็นนิโมกได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเี่เราน้อมใจเชื่อจึงตัดสินใจไปแสวงหาไปซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมาซึ่ง ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรดังนั้นพื้นฐานในด้านศรัทธาพระพุทธเจ้าจึงทรงเริ่มที่ให้เชื่อในพุทธคุณในพุทธคุณอย่างที่สวดกันเวลาทรงแสดงลักษณะของศรัทธาที่ถือเป็นพื้นฐานซึ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลให้เดินมาในจุดที่เรียกว่าภาษาธาศรัทธาเออคือความเชื่อที่มีความเลื่อมใสส่วนมากเราจะพูดว่าความเชื่อความเลื่อมใส มายความว่าความเชื่อที่บังเกิดขึ้นนั้นจะต้องทําจิตใจของบุคคลให้พ่องใสขึ้นปะลักษณะของศรัทธามีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในใจจะถามว่าพ่องใสคือพ่องใสาจากอะไรหรือปราศจากอะไรกบอกผ่องใสาจากความไม่เชื่อความเครือบแรลงความลังเลสงสยัยทําไมยึงต้องมาเริ่มต้นที่พระพุทธคุณ พระพุทธคุณถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะคุมจิตใจของบุคคลให้ออกไปนอกทางได้ตากว่าตราบใดที่จิตใจของบุคคลยังหยั่งลงมั่นคงในพระพุทธคุณความสับสนในด้านความคิดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวเราจะพบว่าศรัทธาที่ไม่มั่นไม่ไม่หยั่งลงมั่นคงในคุณของพระรัตนใจนั้น บางทีก็เกิดสับสนโดยไม่รู้อะไรสําคัญกว่าอะไรพระพุทธวจนะกับคําพูดของคนธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะชั่งน้ําหนักได้ว่าอะไรสําคัญกว่ามีความ ม, มีน้ําหนักที่ควรกับการเชื่อถือมากกว่าเป็นต้นนั้นเพราะอะไรเพราะเสียศูญในด้า น, นความเชื่ออันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นตอนนั้นเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแก่ใครก็ตามแต่เราไปพบในพระสูตรต่างๆแล่วคนจะ เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระหันจัดสรุดีจัสรุชอบด้วยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดาเป็นสารถีผู้ฝึกอย่างบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีบุคคลอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จับแนกทำพระเกียดที่คุณเหล่านี้จะแผ่ไปก่อน แล้วก็อาศัยพระคุณที่แผ่ไปบ่อยๆคนเหล่านั้นก็เริ่มความคิดซึ่งแน่นอนคนที่มางฟ้าพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวนั้นก็ยังไม่เชื่อแสดงอาการกิริยาผิดแปลกแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจาบใดที่ยังไม่เชื่อก็ไม่เทศคือปล่อยให้เชื่อปล่อยให้ปรับจิตต่อสู้กับในความขัดแย้งภายในจิตใจให้ได้เสียก่อนแล้วในที่สุดจึงเทศ เริ่มต้นมาตั้งแต่แสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นต้นไปจนถึงแสดงแก่พระสุภัทธะเป็นคนสุดท้ายแล้วก็พื้นฐานของท่านต้องอยู่ที่ความเชื่อในพระพุทธคุณอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแก่ท่านสุภาาัทธะที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นปัจฉิมสาวกคือสาวกคนสุดท้ายที่เข้าไปฟังเทศก่อนจะนิพพานท่านสุภาาัทะท่านเกิดความคิดว่า ได้ข่าวว่าพระสมณโคโดมจะนิพพานในคืนนี้พระสมณโคโดมนั้นเป็นประธานจัตสุรีจรัตสุรชอบโระองเองก็เดินตามแนวของพุทธคุณอย่างที่ว่าแต่การเกิดของประธานนิปพานนี้นั้นเป็นเรื่องยากและพระองค์ก็จะไปนิพพานเสียแล้วในคืนนี้เรายังมีความคล่องใจเพรีอแแปลงสงสัยอยู่เป็นนั้นมากที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะต้องไปกราบทูลถามพระองค์ เพราะถ้าพระองค์นิพพานไปก่อนไม่ได้กราบทูลถามก็จะเกิดเสียใจในการพลังและท่าก็ไปใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงซึ่งท่านจะเห็นได้ว่ามันก็เริ่มที่ศรัทธาของท่านคือยอมรับพื้นฐานของพระพุทธคุณในเบื้องต้นถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ไปแต่ถ้าพูดถึงรู้ข่าวท่านก็รู้ข่าวมานานแล้วนะเพราะท่านก็ไม่ใช่คนหนุ่มแต่ทําไมคือศรัทธายังไม่เกิดขึ้นพอที่จะบังคับให้เดินไปเฝ้า ในเหตุปัจจัยต่างๆมันบีบคั้นมารอบทิศทางว่าถ้าไม่เฝ้าวันนี้มันก็ไปไม่รอดก็เลยต้องไปเฝ้าเฝ้าแล้วก็ได้ผลอย่างกล่าวนั้นส่วนเรื่องศีลนั้นก็เป็นกฎซึ่งต้องมีอยู่ในที่ต่างๆประวัตสูตรของการปฏิบัตินั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักที่ทรงบัญญัติเอาไว้ซึ่งก็ บางครั้งก็เรียกว่าจารีตศีลคือศีลที่เป็นเป็นระเบียบแบบแผนกติกาขนบธรรมเนียมประเพณีทำนองรัฐธรรมนูญของอังกฤษมันไม่มีตัวพยัญชนะนอักษรอะไรจารึกเอาไว้แต่ก็เป็นจารีตแบบแผนที่สืบเนื่องกันมาเป็นวงของอท่านผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นสัตว์ปรุษทั้งหลายแล้วคนยุคหลังก็ยอมรับความดี บางครั้งก็เรียกวารีตศีลคือข้อที่เราบัญญัติที่ทรงบัญญัติขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของคนซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธคุณแล้วก็เดินได้ในจุดของการประพฤติปฏิบัติพาสามารถพิจารณาเห็นคุณของศีลและโทษของศีลได้ชัดเจนอย่างที่ทรงแสดงว่าผู้มีศีลย่อมสมบูรณ์ด้วยโภกคสมบัติ ซึ่งข้อนี้ท่านต่างหลายอาจจะเกิดสงสัยว่าพวกตัดไม้ทําลายป่ามีเงินเป็นร้อย ร, อ ย, รอยล้านมันก็ไม่มีสิท์อะไรแต่ว่าถ้าเรามองถึงความหมายของคําว่าทรัพย์ที่แปลวัตถุที่ท า, ทาให้เกิดความปลื้มใจคือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ที่ทําให้เกิดความปลื้มใจและซั์ที่เกิดความปลื้มใจนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขคือมันอยู่ที่เรามีความปลื้มใจในสิ่งที่เราได้มา ในการงานที่เราทำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าการงานที่ประกอบด้วยธรรมเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมหรือไม่จึงอาจจะเป็นเงินจานวนร้อยก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีลักษณะดังกล่าวมันก็ให้ความปลื้มใจให้ความสุขใจมันก็เป็นพภกสมบัติจริงๆแต่ส่วนทรัพสมบัติในลักษณะนั้นมันก็ไม่ให้ความสุขใจความปลื้มใจมีแต่ความวาดระแวงวิตกกังวล อย่างที่รู้ข่าวรู้คราวกันจบคนที่มีศีลมีกิจที่คุณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปเข้าไปในสมาคมใดกงอากระหารไม่ขั้นครับกลัวจะถูกโจทย์ถูกตําหนิถูกทวงติงเฮาูรู้ว่าไม่หลงตายตายแล้วไปบังเกิดในสุกจิตเป็นต้นนี้ก็เป็นข้อที่เห็นที่เข้าใจได้ ถึงแม้อสองข้อหลังนั้นเราไม่รู้เพราะเรายังไม่ตายและไม่มียานที่รู้หลังจากตายแต่เมื่ออาศัยศรัทธาในพระพุทธคุณโดยนิยตที่กล่าวแล้วเราก็เดินหน้าในเรื่องศีลได้เพราะข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไบอย่างนั้นมันก็ตัดปัญหาความเครือบแคลงสงสัยในคุณของศีลไปได้แม้แต่ในท้ายศีลที่เราสมาทาง ก, กันก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยก็จบลงด้วยคําว่าอย่างนี้เสมอคือศรีเรนะสุกติงยันติบุคคลจะเข้าถึงสุกติหรือความสุขได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ในพวกกสมบัติก็เพราะศีลแม้แต่จะถึงแผ่นิพพานก็เพราะศีลแต่ท่านก็จบลงด้วยคําบาลีที่ว่าตัดสมาสีหลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายจงชําระศีลให้หมดจดุดซึ่งหมายความว่าศีลเป็นอุปการธรรมสําคัญในการที่จะทําคนให้ ประดิ้งขึ้นไปโดยลําดับหรือหลุดพ้นจากความเป็นเป็นบุคคลที่แปลว่าผู้เคี้ยวกินของไม่สะอาดจึ่งเป็นคําเรียกที่ออกจะคมคายนะฮะภาษาที่ท่านใช้ว่าบุคคลคือสัตว์ที่เคี้ยกินของซึ่งไม่สะอาดคือเรามองภาพแล้วเราเห็นได้ชัดเจนว่าสัตว์โลกในโลกนี้ไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นชนิดก็ตามคนนี้เองที่กินได้พิสดารที่สุด จะกินได้ทั้งอาหารที่เป็นอาหารคนอาหารสัตว์และอาหารที่คนอื่นเขาไม่กินกันจะกินได้ถนนน้นทางไอปูนปูนอีดหินทายกินได้หมดเลยก็ไม่มีสัตว์โลกชนิดไหนที่กินได้เหมือนบุคคลแต่ก็อาศัยศีลพัฒนาคนขึ้นไปเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีจิตใจสูงก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆในด้านปัญญาจึงซึ่งเป็นหลักใหญ่อย่างที่กล่าวว่า พระพุทธศาสนานั้นแท้ที่จริงก็สรุปด้วยสติกับปัญญาแต่นั้นเองหรือในตอนสุดท้ายที่สรุปด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทมันก็คือเรื่องของสติเป็นพัฒนาเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปจุดสุดยอดสมบูรณ์ของปัญญาก็คือขจัดกิเลสหมดคือสว่างหมดมืดมืดก็หมดสว่างเต็มที่ความมืดก็หมดปัญญาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแสงสว่างกิเลสเป็นความมืด เกิดขึ้นมันก็แค่จัดมืดหมดแต่นี้ปัญญามันก็มีหลายชั้นเพราะงั้นท่านก็มาถามในชั้นของสังสาระคือชั้นของการเวทว่ายตายเกิดว่าสมมุติว่าคนคนสองคนคนต่างคนต่างก็มีศรัทธามีศีลมีปัญญาด้วยกันแต่คนหนึ่งก็อาศัยคุณสมบัติคือศ ร, รัทธาศีลปัญญาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไป แต่คนหนึ่งนั้นอาศัยธรรมะสามข้อนี้เหมือนกันก็ยินดีในการจำแนกทานในการให้ทานซึ่งท่านต่างหลายจะมองเห็นว่าคนที่เขามีปัญญาเขาก็สามารถที่จะอชี้แจงแนะนำบุคคลอื่นได้เพราะในแง่ของการให้นั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าให้ธรรมะจะ ช, ชนะการให้ทั้งปวงท่านที่มีปัญญาก็สามารถให้ได้แต่ว่าเนื่องจากสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุ ปัญญามังก็สร้าง เ, าเป็นเหตุอย่างหนึ่งแกสร้างผลได้อย่างหนึ่งแต่ผลบางอย่างแกก็สร้างขึ้นมาไม่ได้โดยเฉพาะในชั้นของการบันดาลในกรณีนี้ท่านถามบุญระดับบรรดาลไม่ได้ถามบุญระดับทั่วไปซึ่งผลบุญหรือผลบาปมันจะมีอยู่สี่ระดับระดับแรกก็คือผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเรียกว่าเป็นผลของกิริยาคือคือคือ เรื่องเดียวกันนี้มันก็อาจจะเกิดด้วยทั้งบุญทั้งบาปก็ได้จนเราได้เงินมาเนี่ยอาจจะเกิดจากการทําบุญก็ได้ทําบาปก็ได้เพราะง้นผลของกิริยามันตัดสินอะไรไม่ค่ได้แต่ว่าคนมักจะเอาไปตัดสินกันจนถึงพูดว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีเป็นต้นเนี่ยเพราะเราตัดจากผลของเราตัดสินจากผลของกิริยาที่เรากระทาไม่ว่าอะไรก็ตามจะตรวจสอบได้อย่างนี้ฮะลอกคนอื่นก็สอบได้นะตอบตัอเองก็สอบได้ มันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ว่าผลบรรดาลแล้วเราจะเห็นได้ชัดผลชนหนึ่งก็คือผลที่สังคมผลที่ปรากฏแก่สังคมคือสังคมยอมรับฐานะของบุคคลนั้นในสายตาของวินยูชนนะฮะมีข้อแม้ว่าวินยูชนมาพูดถึงสังคมวันก่อ น, อนไปประชุมที่กรมวิชาการอย่างนึกคำาำมีคนเขาเล่าให้ฟัง ว่าหนังสือบางเล่มเขานิยามความหมายกันคําว่าสังคมนั้นจะต้องมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือถ้ามีเฉพาะผู้ชายขวายเดียวหรือผู้หญิงขวายเดียวก็ไม่เรียกว่าสังคมไม่รู้เอาเทวดาไหนมานิยามก็ก็เนี้ยคือศาสต์วิชาการไอไอคำทางวิชาการเนี่ยบางทีมันก็สร้างความสับสนในด้านเด็กที่แก่ไปเล่าเรียนไปศึกษาแล้วผลสุดท้ายก็มาตีกันเองไอ้ น, นักนิยามทั้งหลายเนี่ยหนังสือวิชาการในปัจจุบันนี่แก่นิยามจังบางทีนิยามไปทั้งข้อนเล่ม ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องมันพูดยังไงอ้างคนโน้นพูดนางนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นตัวเองเลยไม่รู้ว่ามพูดยังไงก็เป็นความเข้าใจที่แปลกนะครับที่จริงสังคมนั้นมันก็คือสังคมคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันก็เป็นสังคมแล้วเพราะงั้นครอบครัวมันก็เป็นสังคมย่อยๆก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเฉพาะจะต้องมีทั้งผู้หญิงผู้ชายในชั้นนี้ในชั้นของ สังคมนั้นเราจะพบว่าวินยูชนเนี่ยเขาจะวินิจฉัยตัดสินตามสูตรก็เป็นสูตรตายตัวซึ่งสูตรตายตัวนี้ก็ทําให้นึกถึงท่านผู้หนึ่งก็พูดบังก่อนนะพูดได้คมดีคือท่านบอกว่าคําขวัญเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมากไม่ต้องสร้างมากสร้างกันทุกปีทุกปีเด็กก็จําไม่ได้คนให้คําขวัญเองก็จําไม่ได้เลยคําขวัญไม่บรรลุเป้า แล้วแกก็เสนอขึ้นมาบอกว่าเมืองไทยในมีคําขวัญสามข้อพอแล้วคือรู้สิทธิรู้หน้าชี้มีวินัยพอแล้วท่องกันให้ได้บรรลุเป้าให้ได้แต่มาฟังแล้วบอกเออคนนี้นพูดข้าวจีเพราะอะไรเพราะของพระพุทธเจ้าก็มีสามคำนั่นเองลาบาบปบําเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วไม่บรรลุเป้าเลยบาปคนก็ยังทํากันแยะบุญก็ไม่ค่อยได้ทํากันเท่าไหร่ใจก็ยังมีแต่อิจฉาอาฆาตพยาบาทกดเครือง เราเป็นขอกันยุ่งไปหมดเลยก็เนี่ยก็เป้ามันมาอยู่สามป้าวแต่ในอย่างที่จริงคําขวัญสามคำนี้มันก็พอแล้วนะแต่เราก็เปลี่ยนคําขวัญกันอยู่เรื่อยปีนี้ก็คำขวัญวันเด็กก็เปลี่ยนอีกแล้วเด็กจําได้ป่าวมันสงสัยว่าคนออกคําขวัญเองยังจำได้หรือปล่าวก็ยาวจังเลยแล้วผลท้ายมันก็ไม่บรรลุเป้าอะไรสักชีหนึ่งจงทําดีจงทําดีจงทําดีแล้วก็ไม่ได้ทําดีอะไรกันแต่ไหนก็ไม่บรรลุเป้างั้น ไอ้เรื่องที่มันกฎมันเป็นสากล์นเป็นสากลไม่เป็นสูตรตายตัวก็มันอย่างเงี้ยจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนอะไรปัญหาว่าเราจะบรรลุเป้าได้หรือไม่ท่านั้นสูตรที่เป็นสากลในพระพุทธศาสนาเรายกตัวอย่างเช่นว่าคนจะประสบควาสมสําเร็จก็ต้องอาศัยอิทธิบาสทสําเร็จเรื่องอะไรก็ตามก็มีอิทธิบาทนี่เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จทุกันตายตัวพูดอย่างนี้และอย่างนี้ทุกทีเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนั้นน่ะ ที่นี้ในด้านของการให้ทานซึ่งพนางสุบนาเทวีได้ยกมาเปรียบเทียบนั้นท่านเจอพบว่าพอมามองในในแง่ของสังคมแล้วเนี่ยสังคมก็ยอมรับเพราะสังคมยกย่องเชิดชูสนับสนุนบุคคลเหล่านี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าไม่ใช่พวกตกเบ็ดพวกให้ตกเบ็ดหรือพวกให้เพื่อแลกเหรียญนั่นก็อีกเรื่องนะึง ผลในด้านจิตใจอันนี้แน่นอนเลยผลในด้านจิตใจว่าหลังจากทําไปแล้วคนเราแม้จะใจทะมินหินชาติยังไงก็ตามแม้แต่มือปืนรับจ้างนะฮะแกก็รู้ว่าที่แกไปยิงก็ตายนั้นผิดแกเลยเลยหนีไงผลในด้านจิตใจแกรู้แกแมีความความหวาดระแวงมีวิตกกงังวลพวกนี้บางคนนอนหน้าต่างไม่ยอมเปิดเลยนอนเงยเงยโชคอยู่ในห้องนั่นแหละบางคนต้องเอาอย่างที่ ทางใต้เนี่ยมีเจ้าพ่อคนหนึ่งแกเอาไ้เหล็กตั้งๆั ง, งั้งหลายขุนนะฮะไปไปไปกั้นห้องไว้เรียกว่าลูกกระสุนขนาดเอ6มิหยิงไม่ทะลุอ ก, กันน่ก็คล้ายๆกับเหล็กเอาไปทำรถถังแต่ผลท้ายแกก็อยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้แกก็ต้องออกมาออกมามันก็ไม่มีเหล็กกั้นเอาไว้ก็เลยไปไม่รอดอันนี้คือผลผลของบรรดานนะฮะช่วงนั้นเป็นผลของบรรดาตึก พูดถึงว่าผลในด้านจิตใจนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการจําแนกบุญบาปเห็นได้ชัดมากที่จิตใจทีนี้คนเราก็ปากแข็งอ่ะปกติก็ไม่เค่อยรับออพอผลบันดาลไอ้นี้แน่นอนเหลือเกินลงตัวเพี้ยทุกทีเลยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงเป็นสูตรว่าทำย่อมนําไปสู่สุคติอธรรมย่อมนําไปสู่ทุกคติธรรมและอาธรรมมีผลไม่เสมอการส่งเริ่มอย่างนั้น ปะธรรมและอาธรรมมีผลไม่เสมอกันธรรมนำไปสู่สุคติอาธรรมนำไปสู่ทุกตินิสูตตายตัวแต่ว่าพูดในชั้นของการบันดาลเป็นการบันดาลของบุญนะฮะให้รู้ว่าเวลาเนี้ยเราพูดกันในชั้นไหนในระดับไหนอย่าเอาไปตีกันให้สับสนพูดประชันการบันดาลของกรรมในลักษณะอะไรที่เคยพูดเรื่องกรรมมาแล้วสี่กรรม กรรมตอนต้นทีเดียกวก็ระยะการของการให้ผลคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ให้ผลใ น, ลในพบต่อไปกรรมที่ให้ผลในพบสืบไปอีกคือหลังจากนั้นไปอีกแล้วก็พวกอโหสิกรรมซึ่งถ้าในชั้นบรรดานั้นก็เป็นได้ทั้งสากรรมนะครเป็นได้ทั้งสามกรรมคือในในชาติปัจจุบันนี้ถ้าเราลองสังเกตเราจะพบว่า การบันดาลของกรรมที่อันเกิดขึ้นจากการการะทำในสมัยที่เราเป็นเด็กหรื อ, อยังเป็นหนุ่มสาวอยู่แล้วก็ผลกรรมเหล่านั้นก็มาให้ตอนเราแก่เนี่ยก็เป็นอาการบันดาลของกรรมจะจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่รู้ก็ว่าไปตามกรณีแต่แน่นอนที่สุดโดยเกินว่าจะอยู่ในสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่า ธรรมย่อมนำไปสู่สุขติอาธรรมย่อมนำไปสู่ทุตตินั่นเองพอมาถึงสวรรค์นั้นพระเจ้าทรงสแสดงว่ามันก็เหนือกว่าในด้านเจตุพิทพอร์นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเจตุพิทพอร์ที่เรพูดกันบ่อยนี่อายุวันนะสุขพละอธิปไตยหมายความว่าเทวดาที่ให้ทานที่ให้ทานนั้นจะมีอายุยืนกว่าเทวดาที่มีเฉพาะศรัทธามีศีลมีปัญญาจะมีอายุยืนกว่า แล้วก็ในด้านวันณนะคือเทวดานี่เขาเขาเขาาเขาาดูกันที่รัศมีนะฮะจนที่รัศมีว่าใครมีรัศมีรุ่งเรืองมากกว่าคนนี้ก็มีตัวอย่างตอนรพะะ ร, ร, ระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระพุทธมารดาตอนสเสด็จไปถึงนั้นพวกเทวดายัางไม่รู้กันเท่าไหร่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งท่านมานั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้พระพุทธเจ้าพอเทวดามามากท่าก็ถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยไปลิฟเลย อีกองหนึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าก็ยกเอาสององค์นี้ขึ้นมาเปรียบเทียบและเน้นที่ผลฐานนะครทั้งสองคนนั้นให้ฐานด้วยกันอย่าลืมมาพูดเรื่องการบรรดาลนะครการบันดาลระดับบรรดาลของกรรมเทวดาเทวบุตรที่ต้องถอยออกไปนั้นเขาเรียกว่ามีศักดาน้อยคือรัศมีน้อยเรียศักดาน้อยท่านก็ต้องถอย ก็เหมือนกับ ผ, ผู้น้อยพอผู้ใหญ่มาหรือพระผู้น้อยพรอพระผู้ใหญ่มามก็ต้องถอยด้ยถอยลงไปโดยลำดับพราะศักดาเราน้อยกว่าท่านเทวดาก็เหมือนกันอแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่แน่เหมือกับเผาศพเราะจะพบว่ามันไม่ค่อยมีระเบียบนะเพราะระเบียบบางทีเนเนพุ่งพรวดขึ้นไปหน้าสมเด็จเลยเผาศพไอ้ชาวบ้านชาวบ้านเด็กๆก็วิ่งแซงคนแก่กันไปเผากพด็กๆก็วิ่ค่อยมีระเบียบขึ้นเย็กๆกนแะก่กัไปเผาไอ้ชา้านกๆก็ว่งนแก่ ที่จริงมันมันสังคมไทยเป็นสังคมที่สวยงามมากเราจัดอะไรไว้ดีหรือเกินปัจจุบันมันก็เลือนเือนหายหายไปถ้าเราดูว่าระบบนี้มันก็อาจจะจำลองมาจากเทเเ ว, วดาหรือสถาบันสงฆ์นี่เองพระเจ้ารับสั่งถามว่าองค์นั้นทำไมหายไปคือจะยกขึ้นเป็นเรื่องอ่ะที่จริงพระเจ้าท่านก็รู้ปรากฏว่าทั้งสองคนให้ทานเหมือนกัน แต่ทำไมมันเกิดมันเกิดต้องถอยองหนึ่งไม่ต้องถอยเลยเพราะองหนึ่งให้ทานในทักษิณนยาบุคุณคือคนที่อย่างที่เคยพูดเรื่องทักษินาวิสุทธสีไว้นะฮะว่าตนเองก็สมบูรณ์นะฮะของที่ได้มากกสมบูรณ์เจตนาก็สมบูร ณ, รณ์ตัวเองก็เป็นคนดีแล้วคนรับก็มีศีลมีกมัญญาณธรรมก็ได้สองอย่างเหมือนพืชชนิดดีหว่านลงในดินดีมันก็ได้ผลใหญ่ องที่ถอยไปที่จริงให้มากตั้งโรงทานหน้าบ้านประจำเลยให้ประจำแต่คนที่มารับในเต็มทีทั้นั้นเนี่คือเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานทางคุณธรรมคือคล้ายๆกับดินที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรกหวานพืชลงไปก็ได้นิดๆหน่นนอยๆส่วนองค์นี้ที่จริงก็ท่านได้น้อยนะฮะแต่ว่าตอนท่านถาำท่านเกิดไป ท, ทําดีสมบูรณ์คือสมบูรณ์ด้วยสัมปทาคุณอย่างที่เคยเล่าให้ฟังฮะ ปสัมปาทาคุณนั้นสมัยพุทธกาลก็มีอยู่ได้เราสักรู้สึกจะเจ็ดคนนั่น เ, นเองคือเขอเรียกว่าวัตถุสัมปทาหมายถึงความว่าคนรับนั้นเป็นพระริยาบุคคลนะฮะแล้วก็ต้องไม่น้อยกว่าพระนาคามีด้วยสองปัจจะยะสัมปทาคือของที่เราได้มานั้นจะดีหรือเลวไม่สําคัญนะฮะจะดีหรือเลวไม่สําคัญแต่ต้องได้มาในทางสุจริตจริงๆ ทางสุดจริตด้วยเรียวแรงด้วยความพยายามของตัวเองไม่ชอบโกงไม่ดิ้นนาตาเล่นใครมาและเจตนาเรารักษาไปได้3การกับคุณนาติเรกสัมปทาคือท่านผู้นั้นออกจากในโรถสมาบัติใหม่ๆแล้วเราให้ทานแก่ท่านไอจังหวะอย่างนี้มันหายากแต่คนมีบุญจริง ๆ, งๆยังเอาไปเจอไดอ้มันก็เกี่ยวกับเราก็เกี่ยวกับของที่เราให้แล้วก็เกี่ยวคนรับเหมือนเดิมสูตรมันก็เข้าสูตรเดิมนั่นแหละ แต่มันสมบูรณ์หมดเต็มสตรเขาเรียกว่าเต็มสตดเป็นฐานที่เต็มสตดก็ทำให้มีว่มีสักดามากวันนะก็รุ่งเรืองรัศมีก็มากใครมาก็ขม่มท่านไม่ได้ท่านก็นั่งเฉยอยู่ยงั้นต่อไปความสุขนะความสุขก็มากกว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านนั้นมากกว่าและกำลังกำลังก็มากกว่าเหนือกว่า อธิปไตยอธิปไตยนั้นแบ่งเป็นสมนะฮะอธิปไตยคือความเป็นใหญ่เรียกว่าอัตตาธิปไตยคือตนเองเป็นใหญ่หมายความวามีอำนาจเหนือตนคือเหนือจิตใจตนควบคุมตนเองได้อาศัยตนเองเป็นฐานความเข้าใจถ้าพูดถึงปัจจัยบิดโดกรั้งก็ดีด้วยกันแต่นั้นแต่ที่ชาวบ้านออกมาพูดกันคล้ายๆกับว่าไม่เหมือนกันคล้ายๆกับว่าอัตตาธิปไตยแล้วไม่ดี แต่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอธิบายเองอัตตาทิปไตยนั้นก็คือมีความดีส่วนตนมีความเชื่อมั่นตนและก็ปา ร, รบปา ร, รบตนเองแล้วในที่สุดท่านก็ทำความดีได้โลกาทิปไตยนะก็ปรารบโลกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทำความดีและธรรมาิปไตยก็ปรารบธรรมก็กระตุ้นให้กระทำความดีมีอธิปไตยคื อ, อความยิ่งใหญ่นะะ ความยิ่งใหญ่เหนือกว่าบุคคลอื่นอย่างยกตัวอย่างเทพบุษสององค์ที่กล่าวมาแล้วเนะี่ยองค์หนึ่งถอยร่นไปเรื่อยเลยถอยร่อนองค์หนึ่งก็นั่งเฉยต่างๆ ท, ที่ว่าพื้นฐานอย่างอื่นท่านก็เท่ากันนะเป็นเทพปบุตรด้วยกันก็อยู่ดาวดึงด้วยกันอะไรก็ด้วยกันด้วยกันแต่ว่าองค์หนึ่งให้ถาดแล้วก็ทานด้วยกันด้วยฮนะแต่มันทานทานที่ประ น, นีแตกต่างกันก็ทําให้อธิปไตยของท่านเหล่านั้นแตกต่างกันออกไป นี่ในชั้นของความเป็นเทพเพราะฉะนั้นเราจะมองย้อนมาอีกทีหนึ่งคืออย่าลืมว่าข้อที่ทรงแสดงนั้นจะจะประสานสัมผันธ์กันได้ทั้งหมดเลยจะไม่ชนกันเองฮะจะไม่ชนกันเองเรามาดูถึงว่าการจุติของเทพประบุษเแต่ระบุต <c oughs> ระตจะจุติด้วยเขาเรียกว่าอายุขเยนะสิ้นอายุซึ่งหมายความว่าผลของทานหรือผลของความดีที่เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์มันหมดบุญยักขเยนาสิ้นบุญ สิ้นอายุสิ้นบุญสิ้นอาหารอาหารนั้นเกิดจากพานบริจาคของเรานะครับเกิดจากพานบริจาคของเราที่เราบริจาคอะไรไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้พวกนี้จะเป็นทิปอาหารเป็นอาหารทิปสําหรับเราที่จะเลี้ยงเราถ้าเราทําไว้มากแต่ว่าไม่ใช่มากด้ยจํานวนนะมากด้วยคุณอย่างที่ว่าประเดี๋ยวจะไปทําบุญจนจนจนัานๆอีกบางคนก็ต้องการจะอยู่ในสวรรค์วิมานมากมายเลยกระขายที่ขายบ้าน ทำบุญหมดเลยตัวเองจนไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คือหมายความไอ้คุณสมบัติไอ้เจตนาเนี่ยที่พระเจ้าท ร, ทรงแสดงว่าปัจจัยนั้นไม่สําคัญอ่ะถ้าในกรณีที่มันมีปัญหาที่ปัจจัยนะฮะขอให้เจตนาสําคัญในกรณีของปัญหาอย่าลืมว่าในกรณีของปัญหาแต่ถ้าในกรณีที่มันมีหมายความปัจจัยปรปนี่ก็มีปัจจัยระดับกลางก็มีปัจจัยระดับเร็วก็มีเนี่ย ถ้าเราสามารถให้ปัจจัยที่ประณีตซึ่งทรงใช้คำว่าสามีฐานมันก็ดีกว่าเพราะเราพร้อมที่จะให้นั่งสามอย่างแต่เราเลือกให้ไอ้สิ่งที่ประณีตกว่ามันก็ให้ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศก็ะสุนมันก็เป็นอย่างนั้นก็สูตรเดียวกับผู้ให้อา ผ, ผู้ว่าจะรับการไหวตอบบูชารับการบูชาตอบนั้นเดมก็อยู่ในสูตรเดียวกันก็สิ้นบุญสิ้นอาหารสิ้นอายุนะแล้วก็ เออเรียกวา่าเกิดเพลิดเพลินในการมมคุณมากไปเพลิดเพลินในการมมคุณมากไปจนหลงหลืมสติแล้วก็มากด้วยความโกรธมากด้วยความโกรธคือเกิดโกรธในเทวดาโกรธแล้วมันตัดรอนอายุนะเพราะม น, มนุษย์เราก็เหมือนกันนะถ้าโกรธวันละสามเวลาลังอาหารนะไม่กี่วันนะผมงอกหมดเพราะ ง, งั้นต้องพยายามพยายามที่จะบรรเทาไอความรู้สึกเนี่เพราะมันตัดรอนอายุ ที่เขาเรียกว่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันตัดอายุไปหลายนาทีหลายชั่วโมงงั้นทำใจสบายๆบางครั้งเป็นการเสื่อมอายุเพราะตัวความโกรธมันตัดรอนอายุได้แม้แต่อายุชิพนะฮะมันตัดได้ได้ให้ให้อายุของเทวดาสั้นลงิษยาในสมบัติในความดีของบุคคลอื่นมากไปด้วยความโกรธตรงนี้ที่ไปสมบัติก็เสื่อมไม่ไปตัดรอนส่วนอื่นทีนี้ก็ลดลงมาพระนางก็มาเปลี่ยนอีกเอาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์อย่าลืมว่าพระนางไม่ได้ถามจุดอื่นนะฮะไม่ได้ถามจุดอื่นตามแนวพระสูตรที่เกิดแสดงมาแล้วพระนางถามจุดเดียวถามจุดว่าความแตกต่างความแตกต่างคือเทพเออคนทั้งสองกลุ่มนี้ศรัทธาก็เท่ากันศีล ก, ก็เท่ากันกปัญญาก็เท่ากันแต่คนหนึ่งให้ทานกว่าหนึ่งไม่ให้ทานด้วยการบันดาล น, นะฮะยังยังคงเป็นการบันดาลอยูอ่มีอะไรที่จะแตกต่างกัน ก็ทรงแสดงว่าบุคคลที่ที่ให้ทานเนี่ยที่ให้ทานนั้นจะเหนือกว่านะพูดถึงการบรรดานะจะเหนือกว่าในด้านอายุในด้านวันนะในด้านสุขในด้านกําลังในด้านอธิปไตยของของมนุษย์คือจะมีศักดาเหนือคนคนคนคนที่มีสมอย่างสามอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เราก็พอจะดูได้นะฮะว่าคนที่ ปุโรหิตนั่นที่จริงฉลาดกว่าพระราชานะจริงเจง้ก็เป็นแค่ที่ปรึกษาพระราชาแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าพระราชานั้นท่าน เ, าเกิดด้วยผลของฐานผลของฐานแล้วก็ในทศพิตราชธรรมเองก็มีฐานจึงสร้างขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนัน้นคนที่มีปัญญาอย่างเดียวก็กลับเป็นลูกน้องแล้วเราดูไปอีกทีหนึ่งบางทีแม้ใน ในระดับของโลกไอ้พวกพวกทีออ่มีอธิปไตยนะฮะมีอธิปไตยคือมีความเป็นใหญ่มีฐานะเป็นใหญ่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยเก่งอะไรเท่าไหร่สติปัญญาความเฉียบแหลมคมคายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่นี้พวกนี้พวกกินบุญเก่าแต่พอหมดบุญก็ตกกระป๋องไหายปอมแปมมาตกน้ำปอมแปมไปก็เยอะเหมือนกันเ อ, อ่อเพางั้นในในจุดของมนุษย์มันก็เห็นต่างกันในชั้นของการบรรดาล ตอนในชั้นบวชนะชั้นบวชพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าต่างกันต่างกันในจุดอะไรคืออายุวรนาสุขการะนต น, นั่นก็เหนือกว่าด้วยกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนอื่นจะประพฤติต่อท่านด้วยความอ่อ น, น้อมอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับ เอามาเคยพบอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเค ย, ยอให้อาธิบดีก็กว้างได้ซ้ำไปคื อ, อยังรู้สึกเสียดายนะฮะปีนี้ท่านจ ะ, กะเกษียณได้แล้วเป็นอาจารย์ผู้หญิงที่โรงเรียนสตรวิทยานองอบรมลูกสาวที่ห้องนี้กับที่ตึกสภามาเมื่อก่อนนะอาจารย์ครู ม, มาตั้งสิบกว่าคนลูกสาวเจ้าดังจะ ก, กระดด ก, กระเจาะข้ารังพออาจารย์คนนี้โผล่ปั๊บเงีย คนสามรอบกับคนเงียบหมดเลยว่าคนนี้แกมีบุญจริงไงนี่แสดงผลทานนะฮะผลทานที่ที่แสดงะที่ให้คนอื่นประพฤติต่อต่อตอนเองด้วยความเคารพอ่อนน้อมคนบางคนแม้มีอํานาจวาสนาแต่คนอื่นไม่ประพฤติอ่อนน้อมด้วยแต่บางทีกออ็อะไรละ่ะคื อ, อ, อตาแก่ยายแก่ชาวนาแถวมีอบุรีนองจอกลาดกระบางเนี่ยเป็นนักบุญ สงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นขนาดอธิบดีประหลัดกระทรวงลงประจุงเข้ามาจากรถเลยนี่คือประพฤติอ่อนน้อมเป็นเป็นเป็นผลบรรดาลส่วนหนึ่งนะฮะแต่บางทีก็เป็นการประจบส่วนหนึ่งเหมือนกันคือต้องการขอเงินเพิ่มมันก็ไม่แน่นะแต่ว่าไปตามกรณีไปบางบางส่วนก็เป็นเรื่องของการบรรดาลแต่บางส่วนก็นการเสียแซงเป็นการประจบแต่ตอนนี้เน้นที่การบรรดาลว่าเราดูว่าพระบางองค์เนะี่ย อายุอันนาไม่อะไรทั้งกับไม่เคยมากอะไรแต่ว่าเป็นที่เกรงบกเกรงใจของคนอื่นพระผู้ใหญ่เองก็เกรงใจทางๆอนในพระผู้ใหญ่พรนสามากกว่านี้ก็เชียอเห็นถึงผลในเชิงบันดาลของฐานทาตามตามนายัยยะของประสุนนี้แต่ในขณะเดียวกันนะฮะในที่อื่นในที่อื่นถ้าเรามาเทียบกันพระพนังกักถามจุดเดียวพระเจ้า ก, ก็ตอบเฉพาะจุดเดียว ในที่อื่นนั้นพระที่พระบางองค์นั้นมีลักษณะแตกคือบางองค์ในแหม้แกร่ํารวยด้วยอติเรกรลาศจริงๆเลยรวยจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็เห็นงานการใดแกก็ไม่เป็นโลเป็นภายรใดๆหรอกนั่งสดน้ำชาคุยๆกันนี่เนี่ยแต่ร่ํารวยอติเรกรลาศโยมมาหากันเยอะแยะเลยอันนี้ก็แสดงผลฐานก็ดีบินตะบัดไปทางไหนก็ได้อย่างสมัยพุทธกาลอย่างพระศรีวลี ศรีวลีที่เขาเอามาสร้างอะไรเป็นเหรียญของพ่อศรีวลีเนี่ยเลื่อนในทางลาบคือว่าแปลกว่าท่านเดินไปในทิศใดก็ตามเนี่ยคนในทิศนั้นจะตักบาตรท่านนาพระตามเป็นร้อยร้อยนะพระได้เต็มบาทหมดมีคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าป่าได้เคยเล่าตัวอย่างให้ฟังทีนานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมพระเรวัตสามเณรเรวัตน้องทายพระสารีบุตร ม, มีทางสองทางทางหนึ่งอ้อมทางหนึ่งตรงแต่ทางตรงนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนทางอ้อมนั้นมีบ้านคนมากไปกันตั้งสี่ห้ารออ่ะพระนรนท์ถามให้กลับกราทุนถามมันจะไปทางทางทางไหนดีพระอาจารับสั่งถามมาศีวลีมาด้วยหรือเปล่าบอกว่ามาด้วยออกไปทางตรงอ่ะไปทางตรงซึ่งไม่ค่อยมีบ้านคนจะอาศัยบุญศีวลีเขาแล้วพระอาศัยบุญศีวลีนี้เลี้ยงดูพระได้ตลอดทาง พระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยบุญกับท่านนะฮะนี่ก็เราเราเรามองดูหลวงพ่อบางองค์ที่อย่างเนี้ยคือคือคือเราอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำฮะยกตัวอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ํามันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าพวกนี้ไม่กล้าเผาศพท่านฮนะก็ไม่ใช่นับถือท่านเท่าไหร่เราก็จริงคงเกาะท่านอนะคือคือถ้าเผาหลวงพ่อแล้วก็เสร็จเราก็อดข้าวเมืองก็บหลงเหมืองเมืองอาจารย์ลีวัดอโศน์นั่นนะ เราก็ไม่กล้าเผานะครเพราะกลัวเราจะอดบางทีไม่ไม่รู้ว่าเราถนอมท่านหรือว่าเราถนอมเรา <c oughs> ก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นบุญนะหลวงพ่อองค์นี้ท่านเป็นบุญจริงๆอัตมาเคยอ่านประวัติท่านหลวงพ่ อ, อวัดปากน้ำเนี่ยไอ้จุดที่ทําให้ท่านได้แนวความคิดเนี่ยมันเกิดมาจากท่านมาจากสุพรรณมาอยู่วัดโพบิณฑบาตไม่ได้นะะ เรื่องบินธบาตไม่ได้นโยมไม่ต้องห่วงนะโยบางคนไม่เคยบวชอาตมาเนี่ยบวชมานานนะเคเจอโดยบินธบาตได้ลมเต็มบาทเลยมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆในลมเต็มบาทมาจนต้องอธิษฐานกับหลวงพ่อจินทร์ศรียบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าบินธบาตได้ก็ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันได้ก็ฉันไม่ได้ก็ฉันไอไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้เราก็ไม่ฉันะเออ แต่ก็มีบุญพอสมควรนะฮะก็อย่างน้อยสองสามทัพีก็ได้ก็พอประทะประทางชีวิตไปได้ตอนมาอยู่กรุงเทพให ม, ม, ม่ก็ต้องฉันข้าวหนเดียวที่ฉันน้นเดียวก็ไม่ใช่ทุดงนะมันก็ไม่มีจะฉันเพราะเพราะว่าวัดในโลกเลยนะะเราพูดว่าวัดในโล ก, กเลยตรงเนี้มันจุกที่สุดเกาะรัตนโกสิล์เนี่ย พระวัดหนึ่งส400้อยสี่้าร้อยถึงหกร้อยวัดมาท่าตั้งห้าหอแล้วมาบินบ่า ก, กันแถวเนี้ยแถวสนามหลวงแถวอาคารราชดําเนินแถวอะไรกระทรวงอะไเนี้ยก็เป็นอาคารพาณิชย์มากเสถานที่ราชการมากที่ว่างมากแล้วพระมากคนน้อยเพราะงั้นจุดที่พระอดอยากที่สุดคือจุดเนี้ยในในในกรุงเทพนะจุดเกาะรัตนโกศิลป์เนี่ยคือยมยมเห็นพระแกเดินสงา่าสงา่างั้ น, นบางทีกลางในบาน่ากนมีอะไรหรอ เดินโกโก้แบบนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงๆเลยว่าการบินทบาทไม่ได้สำมาพระแถวนี้วัดโพวัดบวรวัดมหาธาตุวัดมหันวัดอะไรเนี่ยธรรมดามากเลยแต่วันเป็นแหล่งที่เรียนเท่านั้นเองหลวงพ่อองคนี้สามวันใน่บินทบาทไม่ได้อดข้าวมาสามวันนะครับข้าวก็ฉันน้ามอะไม่ต้องครัวก็ วันหนึ่งท่านได้มาทัพพีเดียวรู้สึกจะไ ข, ข่เค็มหรือปลาทูอกมาลืมไปแล้พอกำะมังนั่งจะฉันกันนึกว่าฉันในประทังชีวิตราที่มีหมาผอมจะตายไม่ตายแหล่ะเรมากะดิกะดกะดิกๆมาถึงเททางกันแย่เลยมันจะตายยิ่งกว่าเราเสอีกเอยท่านก็ตัดใจก็หยิบหน่อยหนึ่งเพราะมันจะเป็นบาปนะฮะเราไปให้สัตว์ได้เลยเนี่ยแล้วก็ให้หมากินแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจตรงนั้นว่า ท่านอยู่ในสมณะเพศอยู่จาบใดมีอติเรกกล้าเพิ่มขึ้นวันไหนนี่ท่านจะเลี้ยงคนไม่พระเนน เ, เ ด, ดร้อนเพราะฉะนั้นจากเนี่ยก็แต่บุญท่านต้องส่งนะบุญท่านต้องส่งในตอนนั้นมีใครมาทดลองใจก็ได้ทดลองบา ร, รมีท่านก็ได้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อเ น, นี่ยนี้ท่าน <c oughs> สิ้นไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังคนก็ยังอาศัยเกาะสบท่านกินกันอยู่ได้สบายจเจริญเติบโต ด, ดีนี่ก็คือเป็นบุญญาณุภาพบุญญาณุภาพของ ของทานที่ให้ดีแล้วเนี่ยมันส่งผลออกมาอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะะคนบางคนที่ทำมาหากินมันขึ้นนะฮะแต่เราไปดูทึ้งภูมิหลังแล้วเนี่ยก็เป็นผลทานนะเป็นผลทานที่เขาให้ดีนะมีก็แม้ว่าต้องให้ดีเออตกลงว่าในจุดแม้แต่พระเวลาเนี่ย <c oughs> เวราวัณบาตยังยังยกตัวอย่างอาจารย์สมชายนะอย่างนึกจะไปคุยกับท่านนักี จางสมชายนี่คือเงินไหลมาเตทมารอบทิศทางอ่ะมายังไงไม่รู้มาก็มันอย่างนั้นเองอ่ะแล้วท่านก็ไม่ได้มีโฆษณาอะไรต่อไรนี่ก็เป็นบุญของท่านเป็นคนที่มีบุญมีบารมีมาในด้านนี้เราต้องยอมรับนะะท่านเหล่านี้ท่านเก่งท่านมีวาสนามีบารมีที่สร้างสมออกอมามันเป็นการบรรดาลของบุญท่านก็มีอยู่หลายองค์นะฮะแม้แต่ท่านกิตติวุฒโธท่านอะไรต่ออะไรท่านศรีนวลเนี่ยก็เก่งเก่งด้วยกันนะนั้นแหะหลวงพ่อเราที่วัดเนี่ยก็ไม่เบานั้น ก็เงินขาดไปสิบเจ็ดล้านปรารบขึ้นมาเจ็ดแปดวันได้ล้นเป้าเลยหายไลยก็ก็เนี่ยพวกมีบุญทั้งนั้นนะแต่ว่าคนประเภทนี้มันก็มีน้อยนะมีน้อยไม่ว่าในยุคใดสมัย ใ, ยใยดยก็ตามในสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆพระที่สมบูรณ์ในด้านนี้ท่านก็มีน้อยสมบูรณ์ในด้านอันตรายกรลาชเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติคนอื่นปฏิบัติต่ตอท่าน จะประพฤติปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมท่านทั้งหลายมองเชื่อมมาดูนะฮะมองเชื่อมมาดูว่าไอศรัทธาศีลปัญญาเนี่ยมันไม่แน่หรอกคือบางทีมันเป็นอัตตประโยชน์เฉยๆคนที่มีความรู้เยอะแยะนะฮะปอก้าวนอนแองแงงเยอะๆในกรุงเทพในโลกนี้แต่ท่านก็ไม่เทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนอะไรคือปัญญาท่านมีแต้าไม่ใช่แต่ไม่ใช้ไปช่วยคนอื่นมันก็เป็นอัตตประโยชน์ มันก็เข้าล็อกสังฆคุณพุทธคุณสังฆคุณอีกเพราะคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งอตัตตประโยชน์คือบวามเพ็นประโยชน์ตนเองแล้วก็ประหิตประโยชน์ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นพระพุทธเจ้ามาสรุปด้วยสองคำอย่างที่ว่านี่ฮพวกเธอยงยังประโยชน์ตนเอและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนอกจากเราก็คือคนอื่นนอกจากคนอื่นก็คือเราธาศีลนั้นเป็นพัฒนาส่วนตัวนะแต่ทาตนี้แน่นอนต้องช่วยคนอื่น ปัญญานั้นท่านอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็ไม่แน่นะฮะแต่ถ้าทานแล้วต้องเชดกันอื่นแน่นอนเพราะงั้นมันเป็นประหิตรประโยชน์เลยได้สร้างสองประโยชน์เราดูความแตกต่างของธรรมะเราจะเข้าใจเองว่าทําไมมันจึงต่างได้ก็เพราะ ม, มันมันก็ผิดกันนี่นะอองค์หนึ่งให้มีศรัทธามีศีลมันก็ส่งไปในด้านศรัทธาศีลได้ขึ้นสุขติไปสวรรค์มรุนิพานได้เรียบร้อยนะฮะไม่มีปัญหาไดแต่ว่า บางทีนั้นคนอื่นจะประพฤติไม่อ่อนน้องกับท่านเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยเกือกูล ค, คนอื่นนะเหมือนท่านศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์อะไรต้ก็ตามเนี่ยความรู้จังเลยด็อกเตอร์เป็นแถวเลยเขียนสองบรรทัดไม่จบเนี่ยจบปัญญามาเขียนสองบรรทัดไม่จบแต่ไม่เคยเอื้อเฟื้ออะไรใครเลยก็ไปที่ไหนก็ก็ไอความรู้สึกผูกพันมันไม่มีคนก็ไม่เคารพนับถือเราไม่ต้องไปดูไกลขนาดบรรดาเนนะีบรรดาเอาในขณะปัจจุบัน เราก็เห็นได้ชัดแล้วว่ากรรมมันจำแนกให้แตกต่างกันออพอมาถึงชั้นของอะไรชั้นของวิมุตต์ตัววิมุตต์นะฮะไม่ต่างกันตัววิมุตต์คือความหลุดพ้นอย่างที่เคยพูดมาว่าพระธรรมเทศนาอุปมาเหมือนมหาสมุทระะที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนมหาสมุทรแปดอย่างแต่ว่านี่ไอันนี้พูดไปแล้วกันก่อนนะฮะว่า พอเสร็จแล้วมันจะรวมอยู่ในรถเดียวคือรถเข็มน้ําจากที่แหล่งไหนก็ตามเลยฮะแม่ครองแม่กงอะไรก็ตามมัลงเสร็จแล้วมันก็เข็มในพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนการปฏิบัติมาอย่างไงสอบมาอย่างไรข้ามาธิศทางอย่างไงพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็วิมุติคือหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสและอุหลุดพ้นจากอํานาจของความทุกข์เพราะงั้นในจุดของวิมุติความหลุดพ้ น, นะ พนังกทุนถามเฉพาะความหลุดพ้นนะฮะพระเจ้าก็บอกไม่ต่างกันในจุดของความหลุดพ้นแต่อย่าลืมว่าคุณสมบัติจริงๆนะฮะพิเศษแตกต่างกันเพราะพระอรหันต์เรามีสี่ประเภทประหานก็เรียกว่าเตชาวิชามีวิชาสามฉลพิญญามีอิญญาหกปฏิสามิทะปัตตามีอภิญญาอา่มีปฏิสมัมิชาสี่ แล้วกับสุขาวิปัสสกประเภทสุขาวิปสัปสปสกนี่ก็ธรรมดานะอยู่หลวงตาธรรดานะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่รู้เรื่องจะจะพูดจะจะจ ะ, จะเทศนาวาการอะไรไม่เป็นทั้งหมดแต่กิเลสไม่มีนะฮะกิเลสไม่มีพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งบุญแต่ก็ทําประโยชน์อะไรกับใครไม่ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีแต่มีอยู่น้อยเรองสุขาวิปสัสสกคือเป็นบรรลุไปแห้งๆแร ง, แรงๆอย่างนั้นเองไง ก็อยู่แกนแกนไปอย่างนั้นส่วนประเภทวิชาสามพิญญาหกปฏิสามพิทาสีส่วนมากแล้วนะฮะถ้าได้แล้วก็ได้หมดพวกนี้จะเดินมาทางสายสมถะสุขัยประสุกพวกจเจริญมีปั ส, สนาเลยไม่เข้าสมถะบรรลุอมักผลด้วยกันนะฮะแต่พวกนี้ไปตัดยอดเราที่จะเดินมีปัสนาเพราะงั้นไอไอฐานปรับจิตสมาธินี่เนี่ยด้านสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ปรับมาผลจาก อภิญญาวิชานี่ฮะตลอดถึงอะไรปฏิสัมพิทามันเป็นผลของสมาธิเมื่อไม่เดินมาทางสายสมาธิพวกเหล่านี้ไม่เกิดแต่ว่าในขณะเดียวกันวิชาสามนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่ า, วาท่านไม่มีนะฮะก็ในวิชาสามข้อสุดท้ายก็คืออาศวะขยานในภิญญาหข้อสุดท้ายก็คืออาศวะขยานเพราะฉะนั้นท่านก็มีมีเฉพาะอาศวะขยาน แต่ว่าจ ะ, สะแสดงริจมีไหวพริปฏิพานอะไรๆแบบปฏิสัมพิธาไม่ได้ส่วนแตกต่างก็มีแต่เนื่องจากพนางกลับทูลถามในจุดเดียวจุดเดียวพระเจ้า ก, ก็ตอบเฉพาะจุดเดียวจุดเดียวเท่านั้นเองไม่มีความแตกต่างในด้านวิมุตวิมุติคือความหลุดพ้นวิมุตินั้นเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กําเริบอีกนะฮะแล้วเมื่อเมื่อมาพูดถึงความหลุดพ้นก็อยากจะต่อไปอีกนิดถึงว่าวิมุตวิมุตที่หมายในที่นี้นะฮะ ก็เรียกเป็นสมุเดเฉตทวีมุตตคือเป็นหลุดพ้นด้วยการตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจริงๆกิเลสสิ้นเชิงแล้วท่านเป็นเน้นที่พระอรหันต์ด้วย เ, เป็นการก็เรียกว่านิสรณาวิมุตตคือออกไปจากอำนาจของกิเลสออกไปจากอำนาจของความทุกข์เป็นความซ้งงบอย่างราบคาบหมายความว่าจะมีอะไรมากระแทกกระทันจากข้างนอกอะไรแต่ไรคนด่าคนว่า หนาวร้อนแลคนเสียดแทงจะฆ่าจากฟันอะไรอะไรนี่ไม่ไม่ไม่ไม่จิต ไ, ไ, ไม่กำเริบเพราะไม่มีให้กำเริบนะครคือกิเลสเป็นเหตุให้กำเริบไม่มีท่านก็ไม่กำเริบ เ, เมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีปัจจุบันนี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งที่จึงพบกันแล้ววันก่อนเมื่อสองสามวันเนี่ยก็พบกันบดีคนมากไม่กล้าไม่ไม่ไม ไม่ได้คุยกันคือท่านไปเขียนหนังสือบอกว่าพระรหันนั้นอาจเสื่อมได้พระรหัน์เสื่อมได้แล้วก็จบแล้วไม่ต้องทําอะไรกัะคือมันจุดสุดยอดแล้วนะฮะตั้งแต่พระโสดาบันไปจะไม่เสื่อมแต่พระโสดาบันนั้นไม่เสื่อมในจุดของท่านหมายความว่าท่านละกิเลสได้สังโยชน์ได้สามสามอย่างนั้นจะไม่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่อย่างอื่นที่ยังไม่ละมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะสําหรับพระรหันแล้วจะไม่กําเริบอีกต่อไปแต่ทีนี้าการศึกษา ธรรมานั้นไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือสักเล่มแล้วเราจะไปหาข้อสรุปเราอย่างนั้นจะต้องเชื่อมโยงได้ในด้านศรัทธาเราก็ต้องศรัทธาแน่นอนแต่ว่าปัญญาเราต้องใช้ต้องเทียบเคียงได้ไม่คือคือว่าแล้วก็ส่วนของมานี่เราต้องแยกให้ได้เลยว่าปลอมไม่ปลอมจริงไม่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าหนังสือเขาว่าอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนั้นแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็มีตัววิปลาสการเคลื่อนผิดได้แต่ถ้าคนเข้าใจแล้วก็รู้ได้ตรงนี้ลอกมาผิดเข้าใจผิด มันสะดุดเองนะฮะเราอ่านไปเราสะดุดเองเลยเอ็นี่ผิดนี่ผิดแล้วลองไปเช็คดูก็เจอผิดจริงๆเออที่ท่านผู้นี้ไปติดใจนั้นคือท่านไปอ่านในกระถาวัตถุที่จริงเป็นคมภีร์พระพิธรรมนะฮะแล้วก็เขียนขึ้นเมื่อพศประมาณ300พระโมคคังรีบุตรเป็นคนเขียนขึ้นเออมันเป็นการตอบปัญหาคือมีพวกปลอมบวชแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาพระเจ้าอโศกเป็นประธานก็ถามปัญหาแต่ว่าถามปัญหาที่ท่านไม่บอกว่าใครถามใครตอบ เพราะในสังคารนามันรู้กันนะฮะก็คล้ายๆกับหนังสือที่เขียนในแนวปัจจุบันแบบสนทนานะฮะท่านจะเห็นว่าถ้าเราไม่อ่านมาจากหัวก็ไม่รู้ว่าใครพูดหรอกแต่เมื่อเราอ่านมาจากหัวเราก็รู้ไอ้นั่นคนนั้นตอบไอ้นั่นคนนั้นถามก็รู้กันมาเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องมีเขียนว่าปุจฉาวิสัชนาถามตอบปัจจุบันก็ไม่เขียนได้อย่างงั้นคือเขียนแบบสนทนากันมาแต่เนื่องจากเราอ่านหนังสือกันมาตั้งแต่ต้นเราก็รู้ว่าใครพูดกับใครพระไตรปิฎกชุดกถาวัตถุมันก็มีแนวเดียวกันนะ เป็นคําถามถามถามประถามว่าแล้นตอบอย่างนั้นตอบอย่างนั้นพระสารีบุตรบอกคุณมีความเห็นอย่างนั้นก็แสดงว่าพระอรหันก็เสื่มได้แล้วทีอันก็บอกว่าใช่มันเป็นนิกายหนึ่งเป็นพวกเราเป็นเป็นพวกที่แตกกิ่งก้านสาขาไปแล้ ว, วก็จับศึกทีหลังนะฮะแต่ในพระเจ้าอภิษฎไม่ได้บอกว่าใครตอบไม่ได้บอกว่าใครตอบไม่ได้บอกว่าใครถามถ้าเราไปอ่านเฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าเราไปอ่านตั้งแต่ต้นมาเราก็รู้นะฮะ ก็แบบตั้งสือสมัยใหม่อย่างที่ว่าการหลุดพ้นของพระอาหารหันต์นั้นไม่กำเริบเรียกว่าเป็นอกุปาเมวีมุตติความหลุดพ้นที่ไม่กำเริบอีกต่อไปจุดที่ที่น่าทำความเข้าใจก็คือทั้งหมดนั้นเป็นกุศลนะคัตั้งหมดมันเป็นกุศลละธรรมด้วยกันแต่ว่าบางอย่างก็จะอยู่ในขอบข่ายของตัวเอง นะเป็นเรื่องพัฒนาตัวเองศรัทธาศีลปัญญานั้นถ้าไม่สืบไปหาคนอื่นมันก็ยกตัวเองไปถึงพระอาหารหันต์ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเดินไปได้แต่ทําไมจึงต้องมีทานด้วยมีการให้ด้วยก็เพราะการให้นั้นเป็นการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นแล้วก็จะมีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับนะในชั้นของการให้ดังที่เคยกล่าวมาในเรื่องทานว่าพอถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้ให้เพื่อสละโลภแต่ให้เพื่อสละออโทสะก็ได้ ให้สละโทสะพวกกัพยาทานเนี่ยมันไม่สละโลภะมันสละโทสะจนถึงกับให้ธรรมะมันก็สละโมหะหายไปเลยก็สละกิเลสหมดสายทานเองแกก็สละโลภะโทสะโมหะมาได้แต่มันก็อยู่ที่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเดินขึ้นไปโดยลําดับอย่างที่เคยบอกนะฮะว่าพระพุทธเจ้าอาจจะเริ่มมาจากจุดใดจุดหนึ่งแต่จะมาเดินไปเองในสายของเขาเช่นว่าตัวอย่างการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์มีสัตราวางแล้วมีอาวุธอันวางแล้วมีเครื่องประหารอันวางแล้วนะฮะคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์แล้วไม่ถืออาวุธซึ่งมีซึ่งใช้ในการฆ่าการเบียดเบียนเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมต่อไปเดินอีกครับมีความเมตตามีความสํารวมระวังในศาสตร์ท้งหลายคือกระทบกระทั่งกันเนี่ยฮะแม้จะดาวว่าว่าทุกจีจิกควรอะไรก็ไม่เอาแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนประนีขึ้นมาขึ้นมีความเอนดูข้าตั้งใจแล้ว มีความเอ็นดูมีความเมตตาในสัตว์ทั้งหลายข่าธรรมะหายนะแต่เริ่มมาจากไม่ค่ายเริ่มเริ่มจากใหญ่นะลงขวานใหญ่มาก่อนแล้วก็เริ่มประ น, นีประ น, นีประ น, นีประนีขึ้นไปจนเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมกา ร, รแสดงออกแล้วก็ข้าถึงใจมีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายทีนี้เรียบร้อยเป็นอัตโนมัติแล้วความสำรวมความระวังการฆ่าการถือศีตธรรไม่ต้องพูดถึงเพราะถ้าข้าถึงใจมีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายกุศลธรรมคุ้มครองใจ ก็ทำให้ควบคุมพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพราะงั้นการทําความดีนั้นอย่าลืมว่าเป็นเรื่องกิริยาปฏิกริยาอย่างที่ทรงแสดงเรื่องการให้นะฮะการให้ให้ข้าวน้ําที่ว่าให้กำมังให้ยาให้ความสุขให้ประทีปให้แสงสว่างให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างให้ทําชนะการให้ทั้งปวงให้อภัยชื่อว่าให้การสงบเวรสงบภัยให้สุขแก่คนอื่น แต่บางอย่างอย่ า, ยาลืมนะว่าเนื่องจากมันเป็นการละโลภะโทสะโมหะด้วยกันพอเริ่มจะจุดเนิ่มันก็ละโทสะโมหะด้วยการบางครั้งในจุดเดียวกันนั้นแกจะเบ่งบานออกไปในการเสริมสร้างแอเนี่ยอายุวะนาสุขภพละตามกําลังของการปฏิบัติที่ทบุคคลนั้นได้กระทาลงไปเพราะฉะนั้นทานเองก็ให้อายุวรนาสุขะพละศีลเองก็ให้อายุวะนาสุขะพละ ทุกอย่างนั้นจะให้อายุวรนาสุขภาพแต่มันจะมาต่างกันด้วยการด้วยปริมาณของเหตุที่เราสร้างขึ้นต้องทำให้ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือว่าคนหนึ่งนั้นทําได้ทั้งอัตตะประโยชน์และปริตตประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์คนอื่นเทียบในกรณีเท่ากันนะเทียบในกรณีศรัทธาศีลปัญญาเท่ากันส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทําได้เฉพาะประโยชน์ของบุคคลอื่นจึงมีความแตกต่างกันในชั้นของสังสารวัตร แต่ว่าในชั้นของวิมุตตแล้วจะไม่แตกต่างกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน